ให้ศรัทธา ญ, ญาติโยมหรือเปล่านะ <c oughs> ก็เลยลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเนี่ยเออก็เลยเอ้าก็หลวงพ่อก็ยังแจกพระอยู่เนี่ยจะาอาวเอ่อบางทีสงกรานเนี่ยหลวงพ่อก็ได้รับเหรียญจากครูบ า, า, าอาจารย์มาเอ่อรับพระผงมาเนี่รับพระมาจากทางวัดบรวรมาเรียกว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนที่เอามาหลวงพ่อก็เลยเอเออ้าว แจกเป็นออกไปกราบไปไหว้เป็นที่ระลึกเนื้อลูกหลานเน้อยามขับขันยามคิดทุก อ, อกทุกใจมาให้ลึกถึงพระถึงเจ้าเน้อเนี่ยเอาแจกหลวงพ่อก็เลยแจกเนี่ยแจกพระแต่หลวงพ่อไม่เคยทําณครับนักทายญาติโยมตั้งแต่ระลึกย้อนหลังมาเนี่ยหล้มพ่อไม่เคยอนุญาตให้ใครผู้ใดใครผู้หนึ่งสร้างพระหล่อพระนะ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 ของพ่อแม่ครูบาอาจารนยะ์ท่านก็ไม่ว่าอะไรดังนั้นพวกท่านองค์ขมันตีกับคณะท่านก็เลย ท, ทําเหรียญขึ้นมาสามเหรียญเหรียญทองเหรียญทองแดงแล้วก็เหรียญเหรียญเงินสีเงินไม่ใช่เงินหรอกทองแดงก็คือเป็นทองชื่อว่าสีทองคำน่นก็คือชุบให้เป็นสีทองแต่เป็นลักษณะเหรียญแปดเหลี่ยมจากนั้นเขาก็ทํามามาก็